ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฝังเท่าไรเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอสกิละสูตรสะกะลิกัดสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยสเก็ตหินที่ประเทบรัตน์กลิ้งไปเพื่อจะฆ่าพระพุทธเจ้าแต่ว่าก็มีเพียงสเก็ตเล็กๆ ไปกระทบที่ประบาดจนหอบพระโลหิตที่เราเรียกว่าโลหิตุประบาดวันก่อนได้พูดถึงมาในช่วงที่พระสงฆ์ได้หามพระพุทธเจ้าไปประทับที่มัทกุจิมรุกทายวันแล้วก็ณสถานที่นั้นเองหมอชิวกโกมารพัทก็ได้ ถวายการรักษาโดยการปอกยาทัานล่าว่าทุกเวทนาเกิดขึ้นเป็นอันมากในร่างกายของพระพุทธเจ้าแต่ว่าอาศัยที่ไม่มีกิเลสเป็นเหตุได้ยึดมั่นถือมั่นในอัตตารตรดตน ก็ไม่ได้แสดงอาการหวั่นไหวในทุกเวทนาต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านั้นเพราะอาศัยสติสมัญญาอดกลั้นอดทนตัวเวทนาก็อย่างที่เคยบอกไว้ว่าจริงๆสภาพจิตของพระอรหันต์เนี่ยเป็นการอดทนแบบภูเขาอดทนต่อ พายุลมฝนต่างๆที่พัดมาจากจัตุรชิตพูด ง, ง่ายๆว่าเป็นการอดทนที่ไม่ต้องอดทนคือไม่ต้องตั้งใจอดทนแต่ก็อดทนขึ้นได้โดยอัตโนมัติลักษณะเหล่านี้ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังลองสังเกตนะว่ามันมีเรื่องบางเรื่องที่เราสามารถอดกลัน้นอดทนได้โดยธรรมชาติ เช่นเราอดทนต่อเด็กเล็กๆอดทนต่อบุปการีอุทนต่อคนที่ผิดปกติเช่นคนบ้ากนดีคนเมาคนดีหรือแม้แต่คนป่วยคือบางคนถ้าเราพยายามเข้าใจนี่เราจะอุทนได้ด้วยอารมณมัติแล้วก็มองท่านเหล่านั้นด้วยความเข้าใจด้วยความเมตตาสงสารด้วยการให้อภัย คือไม่ได้ติดใจอะไรเลยพระทัยของพระเจ้าจะมีลักษณะอย่างนั้นแต่ก็ยิ่งกว่านะคือหมายความว่ามันเป็นสภาพจิตที่อัตโนมัติก็ต่อจากนั้นก็รับสั่งให้ปูพาสังขติเป็นสี่ชั้นออทรงเสเมศเสีสยสยาตโดยพระประหัดเบื้องขวาซ้อนประบาดเหลื่อมกัน สงก็มีสติสมัญญาอยู่ประเด็นตรงนี้เป็นประเด็นที่น่าคิดเรื่องผาสังคติคือผ้าสังกติถ้าเราดูตั้งความเป็นมาเนี่ยมันไม่มีลาาักษณะพ้าบาอย่างในประเทศไทยคือมันน่าจะเป็นการคลุมที่บาโดยอาจจาะพับซ้อนเป็นสองชั้นก็คือสี่ชั้นนะนะเพราะว่าภาสังกติมันก็ เป็นผ้าสองชั้นพอพับทบกันมามันก็กลายเป็นสี่ชั้นก็มันมีวินัยกำหนดเอาไว้ว่าห้ามห้ามนั่งทับผ้าสังฆาติภายในบ้านก็แสดงว่าไม่ใช่ซ้อนห่มข้าบ้านแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ผ้าที่บา เพราะปฐมไมเหตุที่ส่งพุท ธ, ธานุญาตเรื่องภาสังคติเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากฤดูหนาวตอนนั้นพระเราก็ยังมีบริขารสามผืนอยู่ปุจ้ากฤษเดจไปประทับกลางแจ้งในปฐมยายามนั้นทรงอยู่ได้ด้วยจีวรเพียงผืนเดียวแต่ตอนมัธยมยายามทรงรู้สึกว่ามันหนาว เลยก็เพิ่มขึ้นอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ปรากฏว่าอยู่ไปได้ตลอดเพราะนันจึงมีพระพุธอนุญาตพาซ้อนนอกเขาเรียกว่าผซ้อนนอกก็ไม่ทราบหมายความวซ้อนอยังไงเหมือนกันแต่เมืองไทยเราเรามาพาดบ่าเพราะาอาจจะเป็นเมืองร้อนนะจึงมีความคิดในแนวเ อ, อาผาผไหล แล้วก็กลายเป็นเรื่องที่ใช้ในพวกพิธีกรรมสําคัญของคัญธ์าำไมงั้นก็ไม่มีการพาดพาสังกติเช่นถ้าธรรมะส่วนโมลก็ต้องวันธรรมะสนะแตหลวงปูติโมกษ์พวกสังกกรรมทั้งหลายนี่ใช้สังกติหรือเทศนี่ใช้สังกติแต่ปาตกถาไม่ต้องใช้สังกติเป็นต้นเนี่ยทีก็แสดงให้เห็นว่าพระสังกติเป็นผ้าพิเศษที่ใช้ในกรณีพิเศษ ในมาไป็นนิพพานในสูตรตอนพระเจ้าเสด็จจากบ้านในจุนทะไปที่เมืองกุสินาราเนี่ยรบสั่งให้พระอนุนประจุฑะนี่ปู่าสังกติอสองชั้นเดี๋ยวก็สี่ชั้นผลสังกติจึงเป็นบริขารที่คล้ายๆการใช้แนวขอนข้างอนเนกประสงค์อาจจะคลุมไหลก็ได้อาจจะม้วนขึ้นมาเป็นหมอนหนุนก็ได้ ราจะพับเป็นผ้าที่นั่งก็ได้หรือว่าพับเป็นผ้านอนก็ได้ชาได้หลายเรื่องก็ยังนึกถึงใล้ๆกับผ้าขาวมาในสังคมไทยเลยชายได้เยอะมากคือในท้องถิ่นบางแข่งเนี่ยเคยพบคนเขาไม่มีเสื้อผ้าอย่างอื่นเลยนอกผ้านอกจากผ้าขาวมาก็นุ่งผืนหนึ่งแล้วก็เคียนพุงผืนหนึ่งแล้วก็เราผาที่ไหลผืนหนึ่ง แล้วก็พกปืนหนึ่งแล้วนี่ก็เออมันก็แปลกดีเหมือนกันกระชัยในแนวอเนกประสงค์ทีนี้ตอนนั้นเราก็เห็นว่าพระคงไม่มีอยู่เฝ้าพระพุทธเจ้าแต่มีก็คงจะไปนั่งห่างๆเปรตเจริญสมถะภาวานาไปก็บอกว่าเทวดาพวกที่เรียกว่า สตุลละปะกาญิกาก็เจ0ดร้อยท่านที่เคยเล่าเรื่องสาธุสูตรเทวดาชุดนี้ก็ได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าเทวดาตนแรกนั้นได้กล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าในข้อที่พระเจ้าทรงอดกลั้นต่อทุกเวทนาดังกล่าวว่าเพราะ พระเจ้าทรงเป็นนาคนาคเนี่ยแปลว่าผู้ประเสริฐในที่เนี้แปลว่าผู้ประเสริฐเพราะนาคมันมีความหมายหลายหลายความหมายด้วยกันบางครั้งบางคราวก็หมายถึงว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงมีพระกําลังลดุจพระยาช้างศารคือจากกลักฐานระดับบาลีเนี่ยบอกว่าพระพุทธเจ้า มีกำลังเท่ากับช้างสารห้าเชือกหรือนางวิสาขาก็จะมีลักษณะยอย่างนี้วันนางวิสาขานีสามารถเอานิ้วไปกดที่ที่งวงช้างเนี่ยให้สุดได้เพราะเป็นหญิงมีบุญแล้วก็เป็นเบญจกัลยาณี แล้วก็ไม่ได้ใช่ไปประทุสร้ายใครมันก็ทำให้นึกถึงอายุวันโนสุ ข, ขังพลังนะฮะคะแนนอยุวัโนสุ ข, ขังพลังอายุยืนมีวันณนผ่องใสมีความมีกําลังกายกําลังใจแล้วก็มีความสุขกายสุขใจพลังตรนนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นพลังร่างกายเนี่ย ก็เรียกชื่อต่างๆบางทีก็ไปพลังแขนพลังอะไรต่ออรตางๆก็สรุปว่าพลังของร่างกายเพราะคำว า, า, านากเนี่ยจึงหมายถึงในที่นี้หมายถึงพระพุทธเจ้าในทรงพระกำลังดุดช้างห้าเชือกหรือว่าเป็นผู้ประเสริฐในขณะเดียวกันอาจจะเป็นนากราอาจจะหมายถึงพระยาช้าง อาจจะหมายถึงพระเจ้าอาจจะหมายถึงพระอระหันต์อาจจะหมายถึงพระยาเปย์ยศชั้นต่างๆหรือผ่าผู้ที่เตรียมตัวจะบวชหรือบางทีก็บอกว่าผู้ไม่มีอาคุคือไม่มีกิเลสก็หมายถึงพระอระหันต์เหมือนกันแล้วก็เป็นผู้ดมประเส ร, ริฐเว้นจากอาพาธห้า หรือบางครั้งก็หมายถึงนาคบาดาลที่มาจากพ บ, บาดาลจะเรื่องปริทัศน์ชาดนะฮะว่ามันก็พูดทานองคล้ายๆกับว่าเมืองบาดาลเนี่ยอยู่ใต้พื้นดินแล้วขึ้นมาแล้วก็ลงไปทำบานก็ดีความเชื่อถือก็ดีต่างๆของเราที่เราเล่าขานกันเนี่ยก็มีความเชื่อในทานองนั้นว่าอยู่ใต้พื้นพิภพ แล้วก็ขึ้นมาสู่โลกมนุษย์ก็จะใช้รูปเป็นเป็นเป็นคนสามารถที่จะแปลงตัวเป็นคนได้ต่นเล่ว่าพระยา น, นาคนั้นจะคืนสู่เพศของนาคราชอยู่ในสองช่วงทน้นเด็กคือช่วงที่เขาเรียกว่ามีความสัมพันธ์กับนางนาคมนวิกา แล้วก็ช่วงที่นอนหลับอันนี้ก็ปรากฏในพระวินัยพิดกที่พูดถึงพญานาคพอมเป็นคนมาขอบวชแล้วก็อยู่ที่กุติกับเพื่อนแต่เพื่อนออกไปข้างนอกท่านก็นั่งหลับอนอนหลับไปเพศมันก็กลับเป็นพญ า, านาคเต็มห้องไปเลยเพื่อนเข้ามาก็ตกใจ ส่งเสียงดังท่านตื่นขึ้นท่านก็กลับเพิดเป็นคนอีกแต่พิสษุ์ท่านก็เห็นแล้วก็ซักถามจนยอมรับความจริงก็นําไปฟาบพระพุทธเจ้าแล้วก็เนี้ยก็มีตำนานบอกว่าท่านก็ขวากชื่อไว้ไว้เรียกชื่อว่านาคแต่ก่อนเนี่ยก่อนสมัยสมเด็จพระมหาสมาเจา้าก็เรียกว่าประมาณสักร้อยปีก่อนเนี่ย ผู้ที่บวชทุกคนเนี่ยเขาจะเรียกว่านาคหรือหมายความว่าก็ถามว่ากินนาโมซีเธอชื่ออะไรหังพันเตนานโกนามะข้าพเจ้าชื่อนาคแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าชื่อานาคเล้วถามว่าโกนามเตุปชาโยปชา ย, ยาของเธอชื่ออะไรอาจารยบอกว่าอุปชายโยเมพันเต ติดโสนามะคือชื่อติดสะหมดเลยแล้วก็ในทีหลังมันก็มีการทวงจริงกันเพราะว่ามันก็ไม่ตรงความจริงอ่ะเพราะว่าฉายาที่อุปชาญาให้มันอีกปิด อ, อย่างหนึ่งฉายาอุปชาญาก็อีกอย่างหนึ่งแล้วทำไมไปบอกอีกอย่างหนึ่งในสุดมันก็กลายเป็นเขาูปเขารอยอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันแต่จริงแนวตัวตนี้เราเราเห็นอย่างหนึ่งนะะว่า ความเชื่อในทางศาสนาบางอย่างไม่ใช่ทุกอย่างมันทำให้รายอมจำนวนมากเกินไปพออ้างเป็นบาลีมาแล้วก็เชื่อหมดอย่างที่เขาเล่ากันเนี่ยเขเฉียงกันคนสองคนคนหนึ่งว่าสัตว์น้ำกับสัตว์บกอะไรมากกว่าคนหนึ่งบอกว่าสัตว์น้ำมากกว่าสัตว์บกคนหนึ่งบอกว่าสัตว์บกมากกว่าสัตว์น้ำ แต่คนที่บอกว่าสัตว์น้ามากกว่าสัตว์บกเนี่ยอ้างบาลีว่านัททิเมสนังอันญญงพระพุทธเจ้ายังว่าเลยนัตทิเมสนังอันญญงสัตว์น้ํามากกว่าสัตว์บกไอคนที่บอกว่าสัตว์บกมากกว่านี่เชื่อเลยท า, ทางที่นัตทิเมสนังอันญญงแปลว่าที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสัตว์น้ําสัตว์บกเลยแล้วก็ทํทาทให้เห็นว่า ที่เคยพูดอยู่เสมอเนี่ยว่ามีเรื่องเป็นอันมากที่มันเป็นศาสนศึกษาศาสนาปฏิบัติแต่มันกลายเป็นศาสนาพิธีแล้วก็มีลักษณะยอมจำนวนแม้แต่ว่าบทสวดในพิธีมงคลต่างๆของเราเนี่ยคือมัไม่น่าเป็นไปได้เลยเช่นบทสวดสัมพุธเทที่เขาชอบสวดเนี่ยก็สมเด็จพระอัมนะท่านมาแปลงเป็นโยชากุ ม, มา ก็สัเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่นับจำนวนพระพุทธเจ้าเป็นโกดๆอย่างนั้นมันไม่ไหวอะ่ะฟังแล้วมันก็้าใจะยากคือเรื่องบางเรื่องมันเป็นภาษาทางวรรณคดีสมมุนวรมาลีเขาเรียกว่าเนกะสังขยาคือเรื่องที่นับไม่ได้ เรจะนับยังไงพอไปทีคิดตัวเลขข้าเลยยุ่งกลายเป็นว่าพระพุทธเจ้ามากกว่าประชากรโลกสี่ประชากรโลกเราทุกวันก็มีหกพันสามร้อย้าเนนะี่ยถ้าเราเชื่อในบทสวดบางอย่างน่ยพระเจ้ามากกว่านั้นนะมันก็แสดงเห็นว่าเป็นความเชื่อในแนวมหายานแล้วก็ถือตามกันน่ะ โดยไม่ได้คิดโดยเหตุด้วยผลอะไรกันเรื่องมันเรื่องมันก็กลายเป็นเป็นนักศึกษาหน้าทำความเข้าใจแล้วก็หาประโยชน์จากมันให้ได้หรือบางครั้งบางคราวเช่จ น, จ, นจันทประริศุริยปริศเนี่ยไ่พูดถึงว่าพระจย์พราชิตเนี่ย ตั้งกิจอธิษฐานถึงพระพุทธเจ้าพระพุเจ้ารับสั่งแต่จนสุรินทร์ราหูต้องปล่อยพระจานทร์พระอาทิตเอกาญจันรุ ป, ปราคาสุริ ป, ปราคาเนี่ยเราก็เห็นว่าไม่ก็มาแบบพราหมก็มาปนอยู่ปนอยู่ในพระใจบดกด้วยนะฮะไม่จะปนอยู่ในที่ธรรมดาธรรมดาดังนั้นหลักการของพระพุทธศาสนาจึง พยายามพูดนะเวลานี้บอกว่าคือใหญ่ไปรุนรังไปแล้วกันก็ดูแล้วว่าความทุกข์ลดลงกิเลสลดลงความสุขเพิ่มขึ้นธรรมะเพิ่มขึ้นก็ดูตรงนี้ก็แล้วกันกต่เรื่องบางเรื่องมันก็มีปัญหาแต่ว่ามันไม่ได้มากอะไรหรอกเพียงแต่ว่ามันยังไปอยู่ในวิถีชีวิตของคนดงเด็งคื อ, อยังนึกว่าแต่เป็นเรื่องแปลกแต่จริงว่า ปัจจุบันทำไมศิยศาสตร์มาแรงเลยมาหมดเลยทั้งทรงเจ้าข้าวผีเครื่องรางของขลังพระสงฆ์องค์เจ้าก็ไปสร้างอะไรอ่ะพาสัตว์ต่างๆเนี่ยเป็นที่สักการบูชากันและเป็นพระเถระผู้ใหญ่อนะนะยังนึกว่าเอ้มันน่าจะคุยกันมั้งนะทําไมอะทําไมก็นัดทีเมสรังงานยังไงก็ประกาศตนถึงพระพุทธเจ้าแล้วมาบูชาสัตว์อยู่เนี่ย พิษาสต์นั้นแผน่เมตตาได้แต่ก็ไม่น่าจะถึงกับบูชาหรอกก็แสดงว่าเราก็ไม่สุจริตใจต่อพระรัตนตรัยเท่าไหรไ่บูชาอะไรก็ไม่รู้รุงรังไปหมดหลเพระเทวดาสรนเส ร, ริญพระพุทธเจ้าในลักษณะนี้เป็นความรู้สึกเคารพนับถือศรัทธาเทิดทูนของท่านอย่างที่บอกนะว่าเทวดาเหล่านี้ท่านบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์พระสมาทานศีลจากอาจารย์ แต่ท่านเองอนุโมทนาทานของอาจารย์พระท่านไม่ได้ให้ทานแต่ท่านสมาทานศีลจากอาจารย์แต่รับศีลเสร็จก็ไม่ทันรักษาเท่าไร่ไม่รักษานานไม่ไ ม, ไม่นานเท่าไหร่ท่านก็นจมน้ำตายหมดแต่ว่าตายด้วยจิตที่ผ่องใสจึงบังเกิดในสุคติและความรู้สึกก็เชื่อมโยงเราจะเห็นว่าเป็นความรู้สึกเชื่อมโยงว่าศีลอาจารย์ของท่านรับมาจากภิกษุ พิกสุนั้นก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผลที่มาจริงๆเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้าแต่ท่านเหล่านี้จึงมีความผูกพันกับพระพุทธเจ้าพอพระเทวทัตไปทําอย่างนั้นท่านก็มัเฝ้าแต่ว่าพระพุทธเจ้าบรรทมเสีาสายญาติอยู่เพผนก็เป็นการพูดในหมู่มพวกท่าน ก็ามาความเทวดาก็พูดพูดกับเทวดาก็พยายามที่จะอธิบายแล้วก็ยกย่องทีนี้ก็ยกย่องคนหนึ่งยกย่องว่าดุดดุดนาคอีหนึ่งก็ยกย่องบอกบ่ดุดราชสีซึ่งก็เหมือนกับการพูดถึงทานในวันก่อนที่พูดสาธุสูตรเนี่ยท่านก็พูดกับคนประโยคแต่ทั้งหมดมันก็เป็นสุภาษิตโดยนิยามหนึ่งนิยามหนึ่งอหนึ่งก็บอกว่าเป็นอาชาใน อาชาในในความหมายของเทวดานะอาชาในแปลว่าฝึกปลืออบรมมาดีแล้วอาจจะใช้กระช้างก็ได้หมา ก, ก็ได้โคก็ได้แล้วคนก็ได้ที่พเจ้าทรงแสดงว่าบุรุษอาชาในนั้นจะไม่เกิดในสถานที่ทั้งปวงตะกูลใดที่มีบุรุษอาชาในมาเกิดเนี่ยตะกูลนั่งก็จะเริญรุ่งเรือง มีคนระดับอาชาในมาเกิดเป็นคนเดียวนะฮะก็จะเดิดรุ่เรืยก็ยังนึกยังนึกรู้สึกเสียดายว่าบ้านเรามันพร้อมทุกอย่างแต่ไม่พร้อมคือหมายความว่าเราครอบครองพระพุทธศาสนามาเนี่ยเอานับสุขโขทยัยมันก็เจ็ดร้อยสี่สก้าปี แต่จริงถ้าเรานับสมัยพระโสณะพระอุต ร, ระมันก็ถึงสองพันสองรอยกว่าปีห ล, กลักธรรมในทางพุทธนานั้นเยอะมากๆดีมากๆแล้วก็ทันสมัยมากๆเป็นนาการลิโกรจริงๆนี่คือความฝันลึกๆมีสิทธิ์จกฝันแต่มันเป็นจริงได้หรือไม่ที่คิดถึงจะมีสถานที่ทำการศูนย์พระบุทธศาสนาแห่งประเทศไทยที่เคยบอกกล่าวยโยมทั้งหลายเนี่ย เพราะต้องการระดมคนเข้าไปดึงเอาหลักธรรมในประจิตบิดอกออกมาเทียบเคียงกับวิชาการข้างนอกหมายความมาระดมนักวิชาการในแต่ละสาาเช่นสมมติเราพูดถึงรัฐศาสตร์รัฐศาสตร์มันเกี่ยวกับอะไรบ้างมันเกี่ยวกับสังคมมันเกี่ยวกับกฎหมายมันเกี่ยวกับคนมันเกี่ยวกับนิติศาสตร์มันเกี่ยวกับอะไรต่ออะเยอะแล้วเราก็มาศึกษากันทําความเข้าใจกัน ว่าภาษาที่มันรุงรังหลากหลายเป็นเล่บบลมบลมเบลมเนี่ยจริงๆจริงเนื้อหามันคืออะไรเรียนที่ยกตัวอย่างเนี่ยว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สูขแข่งมาชนชาสยามนันครอบจักรวาลหมดแล้วอะแล้วทำไมทาไมจะต้องพูดกันให้มันรุงรงังเยอะแยะไปหมดไให้เราเข้าใจว่าโดยธรรมนี่คืออะไรปฏิบัติอะไรการครางโดยธรรมคือยังไง นะการทหารโดยธรรมคือยังไงการตำรวจโดยธรรมคือยังไงข้าราชการกระทรวงมหาดไทยโดยธรรมนี่คือยังไงมันต้องลงมาคนก็ต้องมีธรรมะในกั น, นหมดแล้ว พ, พิสูจน์ที่ผลนะว่ามันเป็นประโยชน์สุขแก่คนอื่นเราเราด้วยนี่นแหละแต่าประโยชน์สุแก่คนอื่นขยายกว้างใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่อย่างน้อยที่สุดก็ในตัวเราหรือขยายออกไปเป็นครอบครัว ความเป็นอาชาริในในความหมายของของเทวดานะอย่าลืมว่าเทวดานั้นท่านเพิ่งพบพระพุทธเจ้าเป็นครั้งที่สองแล้วก็ท่านเป็นเทวดาด้วยศีลห้าไม่จะเป็นเทวดาด้วยโสดาปฏิมากริกรโสดาปฏิผลอะไรท่านก็ให้ความหมายว่าพระเจ้าทรงรู้เหตุการณ์ต่างๆได้โดยเร็วอันนี้คือคือ พระรูปาเขาเรียกว่า ป, ปัญโยคือปัญญาไวยหมายความมาเห็นปั๊บก็รู้ปุ๊บเลยถามปั๊บมารู้ปุ๊บเรื่องอะไรก็ตามจะรู้ได้ในทันทีทันใดเราไม่ถึงขนาดนั้น่ะแต่ว่าทำยังไงอ่ะคือหนังสือที่เล่าให้ท่านผู้ฟังฟัง น, นนะฮะือมาปิดปิดบท รองสุดท้ายโดยโยธสูตรพระเจ้าทรงสแสดงคุณสมบัติของนักรบในรลกข้างนอ ก, กนะฮะแต่เอามาเทียบกับนักรบข้างในคือสู้กับกิเลสโดยทรงสแสดงคุณสมบัติหลักไว้สี่ประการหนึ่งฐานกะกุศโลเจโหติเป็นผู้ฉลาดในชัยภูมิคือมีมีชัยภูมิเหนือกว่าคนอื่น ดูเรปาตีคือยิงได้ไกลอคระเบดีคือยิงได้ไวมาโตโกายสสะปดาเลตตาคือทำลายขุมกำลังข้าศึกได้พอเราไปรีบไปเขียนข้าวเราเห็นนยะมั น, ม, นมันกว้างขวางพิสดารมากใช้ได้ทุกเรื่องใช้ได้ทุกกรณีเลยไม่ว่าจะงานใหญ่งานเล็กย่อส่วนขยายส่วนยังไงก็ตามเราสามารถนาไปใช้ได้ แต่ทีนี้มันก็ต้องการจะอสอนนักศึกษาระดับเป็นใหญ่เอกก็ อ, อยากจะให้เธอมองอีกมุมหนึ่ง<ม>เพราะที่เราพูดเราพูดสายมรรคสรจมาเลยเรายพูดสายนิโรธสัจนิโรธสัจมันมีความเป็นปหาตประธรรมคือแต่ไม่ใช่คือคือสมุทัยสัจหรือไหมสมุทยรรมัยสัจเนี่ยมันก็เป็นธรรมปฏิบัติอย่างหนึ่งแต่ต้องละมันทั้งยังเรียกว่าปหาตประธรม เพราะในการบริหารองค์กรบริหารตนบริหารคนบริหารงานบริหารอะไรก็ตามนะฮะถ้าเรากำกับราคะโลภโทสะโมหะได้ไม่รู้อำนาจแกอารมณ์เหล่านั้นมันก็เป็นธรรมาธิปไตายแล้วหรือว่านักพิจารารมสมัยนี้ชอบใช้คำว่าธรรมาพิบายนะแล้วต่างคนต่างอธิบาย อย่างนีึนกวันก่อนฟังคนระดับโรคเตอร์นะอธิบ า, ายเรื่องอุเบกขาพูดไปพูดมาแกไม่เข้าใจ อ, อุเบกขาเลยคือคือคื อ, คอทำยังไงวะช่วยอ่านหน่อยได้ไหมทําความเข้าใจกับหนังสือขนาดโนโกวาติ่ศษหน่อยเพื่อไม่ให้ต่างคนต่างพูดพูดไปพูดมามันก็เรียกออกเป็นน้ำยานุเบกขาคืออุเบกขาโง่เฉยเมยละเลย ไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่รับผิดชอบอะไรเลยแล้วทำยังไงเราจะเราจะดึงพวกเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยว่าพระเจ้าทรงรู้เหตุการณ์ต่างๆก็หมายความกายิงได้ไกลอะ่ะจ้าสมมติตรักษ์เนี่ยมันเป็นความจริงนิรัน์ความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสัจธรรมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ผลความเปลี่ยนแปลงก็เป็นนิรันดร์แต่เราจะอยู่เกี่ยวข้องอะไรกับใครก็ไม่รู้แต่ในปัจจุบันเนี่ยมันต้องรู้เท่าทันเราไม่มีทางหลบได้แร้วเราพูดได้แต่เราหลบไม่ได้เพราะโลกมันกระเทือนกันหมดแล้วน้ำมันขึ้นราคาอย่างเดียวก็เถื่อนหมดโลกแล้วการเคลื่อนไหลของมนุษย์การเคลื่อนไหลของเงินตราต่างประเทศการเคลื่อนไหลของเทคโนโลยีหรือการเคลื่อนไหลของข้อมูลข่าวสารเนี่ย เราไม่มีทางหลบอ่ะเกิเราต้องรู้เท่าทันมันแล้วก็พยายามสรุปประเด็นของแต่ละเรื่องเนี่ยให้ได้มันไม่ใช่ปล่อยให้ข่าวท่วมทับจ น, จนจนสับสนไปหมดเลยเพราะเตุการเกิดขึ้นพอวิกฤตการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยพระเจ้ารับสั่งอยู่ประโยคหนึ่งอุกัตเถสุรบินติในภาวะวิกฤตเนี่ยต้องการจิตที่กระหาร สามารถไปเชิญวิกิการต่างได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเห็นว่าพระเจ้าทรงรู้เหตุการ์ต่างได้เป็นองชานา이หมายความว่าในสถานาการณ์แางนี้ควรทำยังไงควรทำยังไงควรทำยังไงแต่ทรงเข้าถึงเหตุการ์หมดพระเทวทั์ถ้าหากว่าไม่ประสบควาสมสาเร็จโดยสเก็ดหินแพ่เพียงนิดเดียวไม่ไม่กระทบอะไรเลยเ แกจะกระอักเลือดเป็นโลหิตตายแล้วจะแคนพระพุทธเจ้ามากซึ่งก็หมายความว่าตกนรลกอยู่นานนะแต่เราจะเห็นว่าพระจ้าก็พยายามประคองพระเทวทัตมาจนถวายกระดูกคางเป็นพุทธบูชาเพราะในอนาคตการนานไกลเนี่ยท่านจะได้เกิดแล้วก็เป็นพระปฏิกรพรพุทธเจ้าชื่ออริสระแล้วพระเจ้าเลยต้องปล่อยให้ เพื่ออนุเคราะห์ต่อพระเทวทัตโดยในขณะเดียวกันพระภิกษุจะต้องเข้าใจเป็นภารกิจวอะไรควรจะทํนนะทามื่กด์น่ะถังก็ทรงไล่ภิกษุออกไปในขณะเดียวกันก็เทวดาก็มาองเงินท่านบอกว่าเป็นนิสโภนิสโภเป็นชื่อของของการเลี้ยงโคในสมัยโบราณเราจะเห็นภาพลักษณะสังคมอีกอย่างหนึ่งคือสังคมภาคเกษตรกรรม เราเคยพบในสุตตานิบาตพูด้ึงการไถนาเขาไถนาไถเนี่ยทีละห้าร้อยชุดนะหมายความาใช้โคหนึ่งพันตัวคนไถหนึงนน่งโคไถหนึ่งเครื่องนึกถึงดูว่าโคมันเข้าแถวถึงห้าร้อยชุดเนี่ยบุกพื้นที่มหาศาลมากแล้วตอนเย็นก็อีกห้าร้อยชุดเพราะนันไถมันไม่เปลี่ยนคนเปลี่ยนโคนเปลี่ยน เกี่ยวการใช้แรงงานสัตว์อย่างไม่ทะรุนดโกร้ได้แล้วก็ในในขณะเดียวกันเราก็เห็นว่าเออนีมนมน่มันมันมหาสาลมากเพราะนั้นคาว่านิสพะเป็นชื่อของจ่าฝูงโคซึ่งมีโคเป็นบริวารเนี่ยแสนตัวนะฮะอันอย่างหนึ่งก็เรียกอุสพะอันผู้ฟังคงเคยได้ยนินอุสพะเนี่ยเป็นโคถึกมีบริวารหนึ่งร้อย อาสภะเนี่ยเป็นโคที่ใหญ่ขึ้นมีบริวารหนึ่งหมื่นแต่ท่านนิสภะแล้วก็ใหญ่มากๆเลยมีโคหนึ่งแสนพื้นที่เลี้ยงพื้นที่ปลูกหญ้าที่เลี้ยงโคพื้นที่ที่โอ้มหาศาลมากางคนรวยมันรวยจริงเลยนะสมัยนั้นนะรวยมาหาศาลจริงๆเลยเปินเอาชะล อ, อานารกกษัตริย์มาอยู่ด้วยกันเลยก็จนก็จนเด็ดขาดมาก อินเดียก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่เดียนนี้นะฮะให้เราเห็นลนักษณะทางสังคมภาคเกษตรกรรมจริงแต่ว่าทำในเชิงเกษตรอุตสาหกรรมก็ยังนึกอยู่เนี่ยว่าสังคมไทยเราทุกวันทำไมไม่ขยับไปที่เกษตรอุตสาหกรรมคือหมายความมมีการริหารการจัดการในเรื่องต่างๆเนี่ยมันใช้หลักทางวิชาการ และพนัก ง, งานที่อยู่ภาคเกษตรเช่นว่าการทำานาเนี่ยให้ควรจะมีนาเป็นหมื่นหมื่นไร่ครัแล้วก็ทำเป็นเชิงเกษตรอุตสาหกรรมมีการบริหารการจัดการมีภาพความชำนาญเฉพาะทางแต่ละคนก็ไปอยู่ในจุดทีนี้ชาวนาแก่ทำเนี่ยแกชำนาญอยู่คนเดียวทุกเรื่องเลยแ้วเราจะเห็นว่าชานวานวาเลยเป็นกระดูกสันหลังผุผุอยู่จนทุกวันเนี่ยมันแก้ไขา ย, ยาก เออนึกว่าเออโลกมันก็เคยเข้าสู่ภาคเกษตรอุตสาหกรรมแน่นอนสมัยนั้นก็คงจะไม่มีเครื่องยนต์กลไกแต่ก็มีบางระดับนะพอเรานึกดูว่าการไถานาคราวหนึ่งห้าร้อยชุดเนี่ยมันกินพื้นที่สักกี่พันไร่กี่ร้อยไร่อะวันหนึ่งห้ารอยชุด เ, าเอาไปคิดสักสักหนึ่งไร่เอามันก็ห้าร้อยไร่แล้วตอนบ่าอีกห้าร้อยชุดอีกห้าร้อยไร่แล้วก็พันไร่ละเราไถสิบห้าวันพื้นที่มันเยอะมาก พระนิสภานแปลว่าองค์อาจเทวดากล่าวความหมายเอาความเชื่อถือในสมัยนั้นหรือยกตัวอย่างโคนิสภาเป็นโคนที่องค์อาจสามารถควบคุมจ่าฝูงเป็นจ้าฝูงควบคุมบริวารได้ถึงถึงหนึ่งแสนเวลาพระเจ้าทรงอุ ป, ปมาอุปมาโคว่ายน้ำข้ำามผากนี่ ก็โคอย่างเงี้ยโคยเป็นงฝูงเ ง, งี้ยร้อยหนึ่งมืนหนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งแสนหนึ่งอุสภะอสภะพนิสภะมันว่าข้ามแม่น้ําใหญ่ๆแม่นาำอิเดียที่กว้างก็กว้างไม่เปล่านะรับสั่งว่ามัเมือนโคว่ายน้ำํำขํามฟากเนี่ยถ้าโคจากฝูงว่ายตรงโคลูกฝูงก็ว่ายตรงถ้าโคจากฝูงไ่ว้โคโคลูกฝูงก็ว่ายโคเพราะในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกันผู้ใดเป็นหัวหน้าเป็นประธานเป็นผู้นำหมู่ ถ้าบุคคลผู้นั้นประพฤติธรรมประพฤติสุจริตบริวาลชนทั้งหลายก็จะประพฤติธรรมประพฤติสุจริตตามไปแต่ถ้าไม่ประพฤติธรรมไม่ประพฤติสุจริตบริษัทบริวารก็ทุจริตตามไปเมื่อก่อนไปอภิปรายออกโทรทัศน์อย่างที่บอกคือด็ อ, อร์ท่านหนึ่งท่านบอกว่าการโกงกินเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยนะว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาเราก็นึกไม่ออกนะฮะเราเล่นไปเราเ อ, อ๊ะทำไมต้องโกงอ่ะ เพราะเงินเดือนที่รัฐให้สวัสดิการต่างๆที่รัฐให้และสถานะต่างๆที่ได้เนี่ยมันก็สบายแล้วนะเพราะไม่น่าจะถือว่าการโกงกินคือเรื่องธรรมดาเป็นค่านิยมที่ผิดพลาดมากแล้วก็เลวร้ายมากเพราะถ้าเราแก้วความคิดตรงนี้ไม่ได้เนี่ยในสุดมันจะกลายเป็นไลตามกันไปหมายความว่ายกตตามกันไป แล้วก็ใช้แต่เกณฑ์มาตรฐานก็คือความถูกใจของตัวเองกับผู้ตัวเองเป็นความถูกต้องเป็นปัญหาทีนี้อีกเทวได้ตัวหนึ่งนี่บอกว่าเป็นโทไรหะโทไรหะหมายความว่ า, าสามารถจะนำธุระภารกิจที่จะทรงกระทาต่อโลกนี่ก็ไม่ปล่อยวาง แต่ก็ไม่ยึดมั่นนะฮะหมายความเป็นภารากิจเราจะเห็นว่าพระผู้เจ้าส่งส่ ง, สงประสบกับทุกวเวทนาโดยการถูกสเก็ดหินแต่ก็ยังหน้าที่ทาหน้าที่าศาสดาผู้เอนดูอยู่เหมือนเดิมใช้เป็นอุปกรณ์ในการสอนภาสาวกทุกวเวทนาก็เป็นทุกขสัตว์แต่ว่าความเป็นพระเจ้าเนี่ยเป็นนิโรธสัตว์เป็นผลมาจากความสมบูรณ์ในมรรคสัต มันทำให้พระพุทธสระเป็นอภทยสรีระคือไม่มีใครสามารถทำลายล้างได้เพราะน่้นเธอไม่ต้องมาอารักขาผลสมบูรณ์สุดยอดของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยระดับของพุทธเจ้านะแต่ว่าพระอรหันต์นี่ยังถูกฆ่าได้แต่พระเจ้านี่ใครเอาเลือดออก น, นิดเดียวไม่ได้นั่นคือคือลักษณะอย่างหนึง่งเลยจะเห็นปรากฏการปรากฏการที่มีอยู่ เมื่อก่อนได้พูดสอนพระใหม่ถึงถึงภูมิหลังของพทธเจ้าแล้วก็นำเข้าสู่ประเด็นคําว่าจัสรู้เนี่ยคือยังไงก็มีพระใหม่รูปหนึ่งท่นเดินตามมารู้สึกสนใจสนใจว่าก็แสดงว่าคนเราเคยเรียนมาแล้วในชาติก่อนเก็ใช่ชาติปัจจุบันมันมีเวลาเท่าไหร่จะเรียนทันเขาก็เรียนมาแล้วในชาติก่อนแล้วกเดียวตอนนั้นน้องเดียวกำลับบงดังนะ อะไระไรายการทศสการเด็กบอกยกตัวอย่างเนี่ยน้องเดียวเนี่ยอายุเขาห้าขวบอ่ะก็เรียนมาได้ยังไงแน่นอนก็พ่อแม่ก็อ่านให้ฟังแต่ว่าถ้าเด็กไม่มีพื้นฐานในอดีตอยู่เนี่ยจําไม่ได้หรอกแต่ในพื้นฐานในอดีตจึงมันผ่านทางสารวัตรมนานแล้วก็สร้างความโน้มเอียงความถนัดความสนใจความชํานาญให้เกิดขึ้นแก่คนเหล่านั้นโดยระยะไม่ยาว แต่ที่จริงมันยาวเพราะมันผ่านตั้งสารวัตรมาเพราะคนที่มาพอพ อ, พอมาถึงจุดนี้เราจะเห็นว่าจะเรียกยังไงก็ได้ในทีน่นี้ท่านก็ยกว่ามันเป็นภารกิจที่สลัดทิ้งไม่ได้ท่านอุปมาเหมือนกับโคเนี่ยเมื่อลากเกวียนไปเนี่ยไม่ยอมสลัดแอบออกแม้พอาระรามันจะหนัก วันภารกิจในการทำงานเพื่อมนุษยชาติเนี่ยคนระดับมหามบุรุษเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าจุกุวเนี่ยตอนที่สมมบุญชวนที่ข้าพตาัดเหมือนที่ย0 ก, กรกฎาคมเนี่ยก็ยังรับสั่งคุยกับ ด, ดรสุมเมธว่าหายแล้วก็จะเสด็จไปที่อะไรสามสี่แห่งอะไรกแต่จะมีโครงการะอะไรจะคิดโครงการต่างๆเพราะวันวางภาระไม่ได้ ภาระเพื่อมนุษยชาติเนี่ยมันวางไม่ได้แต่ภาระส่ตวตนเองก็จบแล้วจบมาตั้งแต่นน้์แหละที่ตนโพแต่เฉันภารกิจตรงนี้ทำด้วยจิตคิดอนุเคราะห์ไม่จะทําด้วยตันหาวปาทานเพราะไอ้ความต่างนี่เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าผู้ที่ทําด้วยตันหาวปาทานเนี่ยทำด้วยความรู้สึกว่าเราจะได้อะไรเท่าไหร่เราจะได้เป็นอะไรเราจะได้อะไร แล้วเราฟังการหาเสียงของนักการเมืองเนี่ยคือเราสลดอ่ะคนอย่างนี้ไม่คู่ควรน่ะมีเป็นอันมากไม่ใช่ทุกคนนะฮะคนบางคนไม่คู่ควรเลยคือมันคิดแต่จะเป็นนั่นเองพูดไปพูดมาใช้ทุกวิธีประโยคที่ถามก็คือว่าเขาจะให้ผมเป็นนายกหรือเปล่าถ้าไม่เป็นไม่เล่นด้วยะขอเป็นนายกขอเป็นรัฐมนตรีเราลืมคิดไปนะ ว่าเป็นเนี่ยอยากเป็นเนี่ยมันเป็นตันหาแต่อยากทาเนี่ยมันเป็นสมาวัญญัะิเพราะนั้นอยากเป็นเนี่ยเป็นเป็นเป็นเป็นการบงการของกิเลสแต่อยากทาเนี่ยมันเป็นการบงการของของกุศลและธรรมเพราะนั้นจริงๆแค่แค่กับพระเราเนี่ยเขาตั้งให้เป็นเจ้าคุณอะไรก็หรือตั้งไม่ตั้งถ้าเราสามารถทำงานให้สังคมยอมรับได้เราก็ทำทำงานได้ แล้วก็ปรับตัวเองทำงานไปได้โดยไม่จำเป็นจะต้องใครตั้งแต่ตั้งก็หมายความว่าก็ทำให้ภารกิจเระกว้างขึ้นแล้วก็มีความรับผิดชอบก็พยายามพูดคุยกับพระพวกที่ก็เป็นราชคณะเลื่อนอะไรต่อะไรกันมากมายนเนราก็อนุทนาเขานะแต่ที่เราเสียดายก็คือว่าท่านไปเล่นเรื่องไร้สาระ เป็นบางสังสวดเนี่ยเป็นราชาคณะชั้นสูงๆยังสนใจอยู่เรื่องเนี้ยเรื่องสวดเรื่องชักผ่าบางสายกุลปุถตาพิเศษจุดเทียนชัยนั่งปกอะไระอะไรมันน่าจะให้คนอีกกลุ่มหนึ่งทํามันไม่จะเรียนจบปัญญายเอกแล้วมานั่งเป็นหมอโดยอย่างงี้มันรวยมันสายใช้ทรัพยากรที่ไม่คุ้มค่าที่ก็บอกเอาเรือรอบมาวิ่งในคลองมันไร้สาระมันควรจะทําอะไรดีกว่านั้น เพรา ะ, ะเราจะเห็นว่าตรงนี้เราก็โดยเสด็จรออยู่คนบาปพระพุทธเจ้ า, าได้ตามสถานะก็ไม่ต้องถึงถือว่าสมบูรณ์อะไรแต่ก็สรุปว่าตามสมควรแก่สถานะทีนี้มันมันมีประเด็นอีกประเด็นเด่นก็คือคำว่านอนเนี่ยนอนเนี่ยท่านท่านเกษยาตเนี่ย อันนี้อาจจะเป็นระบบความเชื่อมากกว่าท่านแสดงลักษณะคนนอนไว้เป็นสี่ประเภทนะประเภทหนึ่งก็เรียกเปตะสยาคือนอนอย่างเปรตท่านบอกว่าเป็นนอนแบบคนตายคือนอนหงายนะนอนหงายนี่ท่านบอกว่านอนอย่างเปรตคือนอนแบบคนตายแล้วก็กามโภคีสยานอนอย่างคนบริโพกามเนี่ยท่านบอกว่าคนบริกามเนี่ยจะนอนตะแคงซ้ายตะแคงข้างซ้าย แล้วก็สีหาสายานนอนแบบราชสีเนี่ยนอนตะแขงขวาแล้วกตถาคตะสายานี่คือนอนแบบพระตถาคตคือภิกษุในพระธรรมีไนเนี่ยแล้ตามปกติแล้วจะนำจิตเข้าสู่ฌานท่านบอกว่าภิกษุในรธรรมีไนนี้สงัดจากการมสงัดจากอากุศลเข้าฌานไปตามลําดับและจากปฐมฌานถึงจตุจาร ก็หลับโดย ด, ยด้วยด้วยจตุตจานเพราะงั้นพระจึงใช้เวลาหลับน้อยอครูบาจารย์ที่เป็นพระ ก, กรรมฐานเราจะเห็นว่าเแคยๆก็ทําไม่ได้นอนแต่ที่จะ น, นอนเพียงแต่ว่าหลับได้ลึกพระเจ้าก็ใช้เวลาเราสองชั่วโมงโน่นนั้นก็ไปปฏิภารกิจอนุเคราะห์โลกตลอดแล้วทำไมทําไมพระวรากายจึงแข็งแรงเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันพักจริงๆเนี่ยไม่มากหรอก แต่เราไม่สามารถจะพักอย่างทันได้เราทำให้เราต้องกินเวลาเยอะแล้วก็ถ้านอนไม่พอแล้วก็สับะงกแล้วก็ง่วงละแต่ถ้าคนที่ฝึกจิตมาดีเนี่ยตัวเจนว่านอนนั้นก็คือว่าทำยังไงว่าให้มีจิตมีสมาธิแล้วก็นอนหลับเวลาจะไม่มาก เพราะใปกติแล้วเขาเน่าปราดก็ดีนะฮะส ม, มณะก็ดีจะนอนน้อยนอนไม่มากอย่างคนทั่วไปหรอกบางท่านอาจจะตื่นตั้งแต่ตีสี่นะแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่ใครนะคือเราอาจจะนอนทุกตีสองแล้วเราก็ไปตื่นตอนเช้าก็ได้ไม่แปลกอะไรเพราะเวลามันแค่สามสี่ชั่วโมงเ น, นั้นเองก็ขึ้นอยู่กับใครจะถนัดตรงไห น, นถ้านอนตอนไม่ดึกนัก ท่านก็ตื่นตอนหัวรุ่งได้แต่ถ้านอนดึกทั้งตีหนึ่งตีสองเนี่ยไปตื่นหัวรุ่งก็ไม่ไหวหรอกเว้นไว้แต่ว่าเนี่ยท่านข้าวฌานอย่างที่ระยะถนนอน<ม>ก็เรียกว่าเป็นตถาคตสยญาติที่นอนแบบพระตถาคตนี่ก็เป็นพระสูตรอีกประสูตรหนึ่งที่ไปเสริมเติมความรู้ในแง่มุมต่างๆให้ด้วยการมุมมองจาก จากเทวดาแต่ก็มีประเด็นตรงนี้ยังยังมีประเด็นที่ที่น่าทําความเข้าใจหรือหลายประเด็นนะครับเพราะว่าแนวของออสังยุตตนิกายเนี่ยเรยาจะใช้วิธีเอาพระสูตรมาอธิบายพระสูตรคือหมายความพระเจ้าอธิบายอธิบายพระวจนพะพุทธวจนะของพระองค์ด้วยพระองค์เองเราก็ต้องดูจากพระสูตรอื่นๆเข้ามาก็ทําให้เห็นว่า ก็คงอยู่ในกรอบนะในกรอบของอริยมรรคแทนแหละพูดไปพูดมาก็คงไม่อื่นไปจากอริยมรรคถ้าเป็นธรรมะปฏิบัติแล้วสิ่งจะต้องลดละมันก็ไม่อื่นไปจากสมุทยัยแล้วปัญหาต่างๆมันก็ไม่อื่นไปจากทุกขนี้ก็เป็นกฎนะฮะเป็นกฎที่มีอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาต้องฟังตลอดเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ข อ, อยยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรณ์ในธรรมจะมีะท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่ว ก, กันสวัสดี